จะเขียนหนังสือเนี่ยเราต้องมีเส้นมีบรรทัดมีแบบให้เราฝึกเขียนบางทีก็ต้องเข้าโรงเรียนเหมือนกันนะแต่พอเราเขียนเป็นแล้วชํนานาญแล้วเนี่ยเราสามารถเขียนหนังสือโดยที่ไม่ต้องอาศัยเส้นบรรทัดเขียนที่ไหนก็ได้อันนี้คือความชํานาญการจเจริญสติก็เหมือนกันถ้าอยากทําให้สติมันจเจริญ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 อย่าไปอยากรู้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นจิตจะฟุง้งซ่านทำแบบสบายๆแบบปล่อยๆวางๆรู้ก็เอาไม่รู้ก็เอาคือยอมรับทั้งสองฝ่ายการยอมรับในติดเราจะสบายอย่าอยู่นิ่งๆพยายามเคลื่อนไหววะกระดิกนิ้วพลิกมือเคลื่อนไหวว้การเคลื่อนไหวเนี่ยทำให้สติเขามีงานทำ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 แล้วเราก็นำเอาสิ่งเหล่านีน้คือการจดสติอยู่เสมอเสมอมาใช้กับชีวิตประจำวัน